ซีดีธรรมบัญญายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศกราช 2,548 โดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องดีชั่วแบบไหนมีจริงแบบไหนมีไม่จริง สังคมบรรยายเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2548ก็มาคุยกันต่อมีเรื่องที่ถือว่าค้างอยู่คือพูดเรื่องความดีความชั่วยังไม่ใช่จบเท่านั้น ในวันนี้น่าจะพูดในระดับสังคมที่แล้วพูดถึงความดีความชั่วในระดับของชีวิตบุคคลก็คือชีวิตนั่นเองไม่ต้องบุคคลทีนี้ชีวิตมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะนั้นไอ้เรื่องที่เป็นความดีความชั่วที่เราเลี่ยงสับไปใช้ตามภาษาบาลีว่ากุศลอกุศลเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมีจริงเป็นจริงในชีวิตจิตใจของคน ไม่ใช่ใครจะไปบัญญัติแต่งขึ้นอ น, นี้อย่างที่พูดยกตัว อ, อย่างคราวที่แล้วกุศลอกุศลบางทีพอมาพูดในภาษาไทยก็ไม่ตรงกับคําว่ากวามดีควาชั่วหรือคนไทยก็อาจจะฟังว่ามันไม่ใช่นแต่คนไทยเราก็ไม่เคยพูดไม่ได้สังเกตเราก็พูดกันไปกุศลบุญแต่ว่าเราไม่เคยวิเคราะห์แยกแยะที่ยกตัว อ, อย่างคราวที่แล้วใช้คาว่าพคตู ความหดหู่ความท้อแท้ความซึมเศร้าความเหงาพวกนี้เป็นอกุศลเท่านั้นเออท่านว่ายัางไงแล้วคนไทยก็ไม่ยอมรับว่าเป็นความชั่วใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าเราแปลอกุศลว่าความชั่ว อ, อ่ะมันก็ต้องเป็นความชั่วสินี่แหละมันเข้ากันไม่ได้กับภาษาไทยท่านว่าไปตามสภาวะเพราะว่าภาวะเหล่านี้ไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจ หรืออย่างฝ่ายดีอย่างเช่นอย่างแม้แต่สติเนี่ยว่าเป็นความดีคนก็ยังงงงว่ า, ามันเป็ความดีได้ออยังไงถ้าเป็นประโยชน์ก็เออมันใช้ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยแต่บอกความดีก็ยังงงๆอยู่หรืออย่างเอายิ่งคําว่าความผ่อนคลายนความไม่เครียดนี่เป็นกุศลนะท่านเรียกว่าปัจสัตทิเพราะนั้นความเครียดนี่ก็เป็นอกุศล เพราะมันไม่เกือ้อกูลกับชีวิตจิตใจเลยความเครียดนี่ตรงข้ามกับความเครียดก็คือปัสสัติแล้วความผ่อนคลายเป็นธรรมะสาคัญเลยนะอยู่ในองค์ของการตรัสรู้นะีอยู่ในพจนชงปัสสัติและอย่างเนี้ยอย่างถ้าเรียกกรรมวญญาตาความเหมาะแก่งานเราก็แปลยากเป็นไทยถ้าเรียกกรรมวญญาตาความเหมาะแก่งานของกายของใจก็เป็นกุศล แล้วก็การที่เราพยายามฝึกจิตมาเป็นสมาธิเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็เพื่อให้พระจิตเนี่ยเหมาะกับการใช้งราเป้าหมายสําคัญของการจเจริญสมาธิไม่ใช่แค่ให้มีความสุขเลยแม้แต่สุขมันก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่ว่าเคยพูดแล้วว่ามันคล่องสะดวกง่ายก็หมายความว่าเรามีภาวะจิตหรือแม้แต่ภายนอกที่มันสุขก็คือคล่องง่ายสะดวกจะทําอะไรก็ทําได้นี่ถ้า มันทุกข์มันบีบคั้นมันอะไรแต่อะไรมันก็ทําให้ไม่คล่องหรือภาวะที่กระปีก้กระเป่าพร้อมจะทํางานเนี่ยเป็นกุศลนัน่นนั้นเพราะนั้นเราจะต้องเอาคําพูดเหล่านี้มาวิเคราะห์กันบ้างหรืออย่างน้อยก็มาสนทนาให้เข้าใจความหมายงั้นเราก็ไม่รู้เรื่องว่ากุศลมันเป็นยังไงบุญเป็นยังไงอย่างตอนหลังเขามีคําว่าคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น ตัวผมเองเคยเอามาโยมว่า อ, อ๋อเขาพูดเป็นคุณคุณภาพชีวิตเนี่ยเพราะเขาห่างคําว่าบุญบรรดาจนไม่เข้าใจคําว่าบุญไปไปม า, ม า, มาที่จริงคุณภาพชีวิตก็คือบุญนั่นแหละไม่ไปไหนเลยคือเราห่างจนกระทั่งติดในความหมายของบุญเนี่ยในภาวะที่เป็นรูปแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรสักอย่างศัพท์ภาษาพระที่มาในภาษาไทยเนี่มันเพี้ยนจนไม่รู้จะเห็ยนยังไง แย่างวาสนาเนี่ยท่านถ่ายไม่ถูกเลยวความหมายที่แท้คืออะไรบางท่านอาจจะเคยฟังเทปอยู่นะแต่ว่ามันไกลเหลือเกินกับภาษาไทยเนี่ยเช่นอย่างคนไทยบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาหรือเนี่ยมันมาอย่างไงเนี่ยเมันเพี้ยนไปได้อย่างไงไกลทีแล้วถ้าถามศาสนาบอกว่าพระพุทธเจ้าละได้ทั้งกิเลสและวาสนาอ่ะ คนไทยนี้ต้องการมีวาสนาเอา้าพระพุทธเจ้ากลับละวาสนาได้เอ๊ะยังไงคนเรเรื่องเลยใช่ไหมคนไทยอยากมีวาสนาทางพระท่านให้ละวาสนาเนี่ยมันยุ่งหมดเลยเพราะถ้าเราไม่ศึกษานานๆเข้าพูดตำตากับแบบก็บเพียนเอา้ากลับมาเรื่องเนี้เรื่องกุศลอกุศลต่อก็ไปอนว่าเรื่องภาวะกุศลก็คือสภาวะ ในชีวิตจิตใจที่มันเกื้อกูลแล้วก็อกุศลก็ตรงข้ามก็คือไม่เกื้อกูลแล้วโดยเฉพาะก็พวกองค์ประกอบคุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตจิตใจคนเนี่ยมันทํางานประสานเป็นเหตปัจจัยกันกันมันเกื้อหนุนกันหรือว่าถ้าเป็นฝ่ายร้ายก็มาขัดขวางฝ่ายดีฝ่ายกุศลเจ้ ก, กุศลเนี่ยมันก็เกื้อกูลมันหนุนกันหมด เช่นเราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้อาต้องอาศัยสมาธิยิ่งสมาธิดีแน่ๆเลยปัญญาก็ยิ่งทํางานได้ดีสมาธิยิ่งดีก็ทําให้จิตเหมาะ ก, กับการใช้งานการที่เราจะมีสมาธิก็ต้องสมาสติก็ต้องอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอย่างที่พูดข่าวที่แล้วศรัทธามันเกื้อหนุนปัญญาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกปับใช้ถูกทางศรัทธามันก็เกื้อหนุนการแสวงปัญญาทําให้มีกําลังเข้มแข็งค้นคว้ากันใหญ่เนีเอาจิงเอาจัง มันเป็นระบบของธรรมชาติมันเองนะมันเป็นธรรมดาก็เอาละทีนี้ในเมื่อพวกกุศลอกุศลมันเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติในชีวิตจิตใจของคนมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ว่าต่อมาก็คือนอกจากตัวเองจะพยายามทำให้เกิดภาวะจิตที่เป็นกุศลในการอยู่ร่วมกันนะมนุษย์ก็คือก้นหนึ่กัน ก, การที่จะเก้อหนุนกันก็เรารู้อยู่แล้วว่าเออภาวะที่ดีก็เป็นกุศลใช่ั้ยเราก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ช่วยให้เขามีสภาพจิตหรือมีภาวะของชีวิตที่เป็นกุศลอย่างนี้เราก็ปฏิบัติต่อเขาให้เกิดมีกุศลอันนี้เป็นหลักขั้นต้นก่อนอันนี้ว่า เมื่อพับขยายกว้างออกไปมันก็ จ, จะมีพวกคนที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่ว่าปฏิบั ต, ติต่อการระหว่างบุคคลมีคนที่รับผิดชอบต่อสังคมอาจจะเป็นบุคโริหารบ้านเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่รับผิดชอบกันในหลายระดับถ้าเหล่านี้ก็ยิ่งต้องมาคิดว่าหาทางทําไงว่าสาระสาคัญก็คือว่าจะให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันได้ดีเพราะว่ามนุษย์มาอยู่ร่วมกันก็เพราะต้องการความมั่นคงปลอดภัยความอยู่ไปสุขเป็นต้นใช่ไหม คนที่จัดการบริหารสังคมก็รู้ความหมายอย่างนี้แหละทำงางให้เขาอยู่กันดีมีความสุขก็ชีวิตเขาจะดีมีความสุขมันก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกื้อหนุนเหล่านี้เราก็จะต้องจัดสภาพแวดล้อมบริการอะไรต่างๆที่จะมาเกื้อหนุนให้เกิดสภาพที่เป็นกุศลเหล่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ไม่เฉพาะการปฏิบัติต่อการระหว่างบุคคลต่อบุคคลแต่ว่าในการจัดการบริหารสังคมชุมชนก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นี่ เราก็รู้อีกอย่า ง, างหนึงว่าในแต่ละขณะแต่ละเวลาเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มีทั้งกุศลอกุศลมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่มีทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดีหรือเกือกเก้อกูลเมื่อเกื้อกูลแต่คนเรานี้ก็โดยธรรมชาติอีกเหมือนกันนะว่าเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาต้องศึกษานั้นเขาก็ควรจะได้พัฒนาทําให้เกิดกุศลมากขึ้นแล้วก็กระจัดหรือละลด ฝ่อกุศลลงไปดังนั้นผู้ที่บริหารจัดการกระทรวงก็ต้องพยายามที่เกื้อนหนุนต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยพัฒนาชีวิตของตนตอนนี้ก็ข้อสําคัญและเพื่อให้ชีวิตเขามีโอกาสมีความสุขยิ่งขึ้นวิอยู่ดียิ่งขึ้นอันนี้นก็อ้าวมันก็มีเรื่องสภาพแวดลอ้อมการจัดสภาพแวดล้อมที่มาเอื้อต่อการที่คนจะพัฒนาอคุศลขึ้นการจัดให้มีคนทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกัน เช่นมีครูอาจารย์มีกัลยาณมิตรมาเกื้อหนุนแล้วก็มีวัตถุปัจจัยเช่นอาหารเป็นต้นก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดถึงสัพปายะทั้ง7ข้อก็เพิ่มมาเกื้อหนุนเพราะว่าคนเขาจะมาจะเจริญกุศลขึ้นมามันก็ต้องอาศัยมีชีวิตต้องมีปัจจัยสี่อะไรตะะ่างเราก็ต้องจัดไอ้พวกสิ่งที่เรียกว่าสัพปายะนี่มาเกื้อหนุนให้เขาได้มีความพร้อม มีความสะดวกหรือมีสิ่งเอื้อเกื้อหนุนที่เขาจะได้มาพัฒนาชีวิตของเขาขึ้นไปก็ต้องทำหนึ่งสิ่งอย่างนี้หมดแต่เราจะเห็นว่าอ๋อเรามีจุดหมายคือการที่มาเอื้ออํานวยให้บุคคลเขาพัฒนาชีวิตของเขาขึ้นซึ่งชีวิตของเขาจเจริญยงอกงามแล้วก็จะมีความสุขที่แท้จริงด้วยคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นเพียงว่าเอาวัตถุภายนอกมาปลื้มเบลบำรุงเบ ล, เ ล, เ ล, เลซึ่งอาจจะทําให้เขาเนี่ย หลงทางหันเหออกไปใช่ไหมแทนที่จะพัฒนาชีวิตไม่เกิดกุศลแล้วมันเกิดอกุศลไปกันใหญ่เลยเสียหายไปเลยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราไปคิดแต่เพียงว่าเราจะทําวัตถุเช่นเศรษฐกิจให้พรั่งพร้อมให้คนอยู่กัสบายแํารุงเลยมันกลายเป็นว่าบางทีเป็นอกุศลไปเลยใช่ไหมมันไปมัวคิดแต่จะเสพจ้ารุ่มหลงมัวเมามไม่พัฒนาอกุศลขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าชีวิตมันจะดีได้อย่างไงถูกไหม เราก็ตกลงว่าไอ้เรื่องเนี้ยกุศลมันก็โยงมาถึงระดับสังคมเอาแล้วทีนี้มาถึงระดับสังคมก็เป็นอันว่าเราจะต้องบริหารสังคมจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารมนุษย์เนียให้มันดีให้มีความสัมพันธ์กันในทางที่เกื้อนหนุนแบบอย่างนเนี้ยเราก็เลยจัดตั้งวางระบบก็ออกเช่นกฎกติกาอะไต่างๆขึ้นมา ในกระบวนการของการจัดการบริหารต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้มันได้ผกดีนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าการที่จะวางระบบจัดตั้งหรือว่าวางระเบียบเป็นต้นจัดระเบียบ ร, ระบบชีวิตสังคมอะไรเนี่ยมันจะจัดได้แค่ไหนและดีหรือไม่ก็หนึ่งก็อยู่ที่ปัญญาว่ามนุษย์ที่จะมาจัดตั้งวางระเบียบ ร, ระบบเนี่ยมีปัญญารู้ความจริง รู้ว่าชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างไรมนุษย์มีความต้องการอะไรแน่ใช่ไหมอะไรมันเป็นกุศลอกุศลหรือไม่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะมองแค่ว่าเออแกนมีกินเยอะๆก็ดีแล้วมีวัตถุคร่างร้อมฉันก็พยายามจะเอาแค่นั้นนะผู้บริหารสังคมก็จะมาจัดตั้งวางระเบียบระบบออกกฎหมายตั้งวัตธรรมนูนอะไรมันก็คิดอยู่ในกรอบแค่นั้นแหะใช่ไหมเพราะมันรู้แค่นั้นเข้าใจแค่นั้นแล้วมีทิศทีแนวคิดแค่นั้น นิทีก็คือแนวคิดความเชื่อหลักการที่ยึดมัน่นว่าเป็นยังไงก็จะเอาอย่างนั้นนะตรง น, นี้ที่สำคัญมากก็ทั้งหมดนี้อยู่ในขออเข่งของปัญญาแล้ว2ก็คือเจตนาเจตนาก็คือเจตนาสุจริตหมมีความหวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์จริงไหมถ้าเขามีเจตนาสุจริตมีเจตนาประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีเช่นมีเมตตากรุณาไอ้เจตนาก็คือตัวแสดงออกของ คุณสมบัติในจิตใจใช่ไหมว่าตั้งใจดีปรารถนาดีมีเมตตามีความรักหรือเจตนามันมีว่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจะเอาพวกคนในสังคมนี้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์หรือว่ามีการที่ว่าเป็นพวกเป็นเหล่าแล้วก็จะแกล้งพวกอื่นใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามีโทสะอยู่ในใจเจตนามันก็จะเป็นไปตามไอ้ตัวแรงจูงใจเหล่านั้นเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นอะไรก็แล้วแต่ นี้ถ้ามีเจตนาที่ดีมีเมตตามีความซื่อตรงสุจริตหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้ไปอันหนึ่งแล้วนะองค์ประกอบเนี่ยสำคัญมาก2องอันคือหนึ่งเจตนาเจตนาต้องมีความสุดจริตแล้วก็ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริงเราจะจัดการบริหารสังคมนี้เพื่อประโยชน์กับชีวิตของเขาแท้ๆสก็มีปัญญาอย่างที่ว่าต้องรู้เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์ยเป็นอย่างไรมัน จะเจริญงอกงามมันคือยังไงมันต้องการอะไรใช่ไหมอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแท้ จ, จริงพอได้สองอันมาบรรจบกับเจตนาก็ยอดบริสุทธิ์แท้ จ, จริงปรารถนาดีปัญญาก็รู้ตลอดแทงทะลุก็จะได้ผลดีที่สุดทีนี้ตอนที่มนุษย์จะจัดตั้งวางยังไงแล้วมันก็ออกมาเป็นกฎระเบียบของสังคมนั้นมันก็มาในรูปที่แม้แต่เป็นกฎหมายต่า ง, างเป็น กฎเป็นระเบียบของชุมชนแต่ทางพระรวมอยู่ในคำว่าวิไนวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดได้อยู่ในนี้หมดเพราะวัฒนธรรมนี่ลักษณะหนึ่งก็คือวิไนที่ไม่มีลายลักษณอักษรก็คือหมายความว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไปแล้วจากการที่เราได้อยู่กันอย่างเงี้ยถ่ายทอดกันมาทําตามกันมาใช่ไหมโดยไม่ต้องรู้ตัวลูกจะทาตามพ่อแม่คนที่มาใหม่ เข้าสู่ชุมชนก็ทําไปตามคนเก่าที่ทําไปแล้วเนี่ยมันเป็นระเบียบของชุมชนนั้นมันเป็นระเบียบอยู่ในตัวเลยวัฒนธรรมเนี่ยที่เป็นวินัยแบบไม่วางไปรายละอักษรแต่ยังไงก็ตามเอาไปว่านี่คือวินยัยขั้นนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าความดีความชั่วที่ว่าบัญญัติว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะในระดับสังคมนี่แหละก็คือมนุษย์มาตกลงหรือมาวางกันขึ้น มันก็โยไปหาไอความจริงของธรรมชาติตรงที่ว่าเขาจะรู้เข้าใจแค่ไหนและเจตนากของเขาเนี่ยมันเป็นความจริงที่มีในธรรมชาติตรงเนี้เป็นจุดที่โยอันนั้นพระพุทธศาสนาก็แบ่งเป็นสองอัน1ธรรมะสวินัยตอนที่เป็นธรรมะนั้นคือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติที่เราจะแม้แต่ใช้คำว่าความดีความชั่วในระดับที่เป็นธรรมะก็คือความจริงที่มีอยู่ธรรมดาธรรมชาติเช่นกุศลอกุศล ที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะและทีนี้จากการที่เรารู้เข้าใจเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่าไหร่ยังถึงธรรมะเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบของมนุษย์ได้เท่านั้นก็หมายความว่าเพื่อความมุ่งหมายที่จะให้กุศลที่เป็นธรรมะนี่มันจเจริญ ง, งอก ง, งามให้มนุษย์พัฒนามันขึ้นมาเราก็มาบัญญัติจัดตั้งวางระบบสังคมขึ้นมาเพื่อให้คนได้มีโอกาสพัฒนาก็หมายความว่า เรามีความมุ่งหมายเพื่อธรรมะให้ธรรมะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตเราก็ตัดตั้งวางสิ่งที่เรียกว่าวินัยขึ้นมาวินัยก็เพื่อธรรมะแต่การที่จะวางวินัยได้ผลดีก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจธรรมะยิ่งรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเช่นชีวิตมันต้องการอะไรแค่ไหนรู้ชัดเจนเท่าไหร่ใช่มันก็ยิ่งวางได้ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นฐานของวินัยอีกใช่ไหม เป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายนะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดมุ่งหมายของวินัยวินัยเพื่อธรรมและวินัยตั้งตั้งู่บนฐานของธรรมด้วยนี้ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะคือความจริงของชีวิตเป็นต้นการที่จะวางวินัยกฎเกณฑ์ระเบียบของชุมชนของสังคมมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ก็แปลว่าปัญญาก็ไม่พอและ้ายิ่งเจตนาไม่บริสุทธิ์อีกไปเลย อันนั้นในระดับของวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังคมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะสัมพันธ์กับธรรมะได้แค่ไหนและทามพุทธศาสนาก็แยกได้เลยว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องสภาวะความจิตตามธรรมชาติถ้าเราจะพูดว่าความดีความชั่วมีไมหมตามธรรมชาติก็มีในระดับที่เรียกว่าธรรมะส่วนด้วยความดีความชั่วที่เป็นบัญญตัติมีไหมก็มีเป็นระดับวินยัยนะเป็นเรื่องของบัญญัติของมนุษย์ แต่ว่ามันโยงกันตัวที่ว่ามันเพื่อคามุ่งหมายนั้นเราต้องการให้เกิดภาวะที่มันดีเกื้อหนุนกับชีวิตมนุษย์ที่มาแต่ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เลยแยกองค์ประกอบพุทธศาสนาออกไปสองอย่างคือธรรมะกับวินัยพุทธศาสนานี้ประกอบด้วยองค์สองคือธรรมะกับวินัยธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าพระพุทธเจ้าตะฐาคตจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีข้างมันอย่างนั้นฐานะคตมา คนพบแล้วก็เอามาบอกมาเปิดเผยแสดงเพราะองค์ไม่ได้มาจัดตั้งขึ้นคําที่ใช้เป็นหลักในเวลาที่กล่าวถึงธรรมะก็คือคำวมาแสดงแสดงธรรมเพราะว่าธรรมะความจริงมันมีอยู่ข้ามบนอย่างนั้นก็แสดงแต่ว่าในบางโอกาสจะมีคําว่าบัญญัติจะไม่ใช่คําหลักบัญญัติธรรมะก็คือในกรณีที่ว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก ก็มาจัดตั้งวางเป็นระบบเช่นเป็นชุดเป็นหัวข้อเป็นลำดับอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าบัญญั ต, ติเหมือนกันก็คือจัดตั้งวางเป็นหลักว่าภพวิหารสี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ที่จริงไอ้ตัวอะไรแต่ะตัวนะ่ะมันมีเป็นสภาวะอยู่เอาแล้วนะฮะส่วนวิไนนั้นใช้คําว่าบัญญัติเลยท่านี้แยกให้ได้เลยนะธรรมะแสดงวิไนบัญญัติ ก็แปลว่าวิเนัยร์นั้นเป็นของมนุษย์บัญญัติจัดตั้งวางขึ้นมาไม่ใช่เป็นของมีจริงอ่าแล้วทีนี้มันกลับมามีความหมายโยงกับความเป็นจริงยังไงอีกพอมนุษย์ตกลงกันอย่างนี้แล้วนี่ในเมื่อกี้เราพูดถึงฝ่ายผู้ที่จัดตั้งวางกฎระเบียบเป็นต้นนะก็จะใส่เจตนาและปัญญาจะได้ผลดีแค่ไหนทีนี้ฝ่ายผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันคนที่เป็นสมาชิกของสังคม มันมีปัญหาตรงที่คนไม่เข้าใจแย่ของเนี้ยคือคนบางทีพูดอ้ามันก็เป็นบัญญัติเรื่องของมนุษย์วางงนขึ้นเองมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราจะทำตามไม่ทำตามก็ไม่เห็นเป็นไรมันไปเชื่อมกับความจริงยังไงมันก็เชื่อมที่ตัวเดิมนั่นแหละก็คือเจตนาและปัญญาพอวางเป็นบทบัญญัติของสังคมเราอาจจะรู้เช่นว่าเออรู้ว่าอันนี้ เป็นกฎเกณฑ์กติกาเขาวางไว้เพื่อความดีเพื่อประโยชน์กับการอยู่ร่วมกันนะแล้วเวลาจะละเมิดเนี่ยมันมีเจตนาเจตนาไอ้เจตนานี่มันเป็นสภาวธรรมมันมีในใจเป็นของจริงใช่ไหมไอ้กฎนะั้นไม่จริงก็จริงแต่ว่าไอ้เจตนามันจริงอันนั้นเจตนาเนี่ยเป็นตัวกลับไปสู่ธรรมชาติอีกพระเจตนามันเกิดขึ้นรู้ตัวเลยว่าตัวเองละเมิด แล้วยิ่งมีปัญญารู้อยู่ว่าไอ้นี่เป็นของที่คขงวางเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันมันก็เลยเจตนา น, นี้ไม่ดีใช่มเป็นอกุศลทีนี้ทางนี้มันก็ขึ้นแต่ปัญญาอีกปัญญามีความรู้เข้าใจถ้าเข้าใจอยู่ว่าอันนี้มันน่าจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีข้อตัวแปรที่จะต้องพิจารณารายละเอียดอีกว่าจะเป็นบาปอากุศลแค่ไหนปัญญาก็ไม่เท่ากันแม้แต่ไอ การละเมิดที่มีเจตนาก็ไม่เหมือนกับบางคนก็โดยตระหนักรู้ว่าอันนี้เขาวางกันไว้เพื่อประโยชน์ความดีงามร่วมกันนะเราเห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าสังคมจะอยู่ดีก็ต้องเป็นอย่างนี้นะให้คนจเจริญกุศลแต่ว่าตัวเองเนี่ยทั้งๆที่รู้อย่างนี้ก็ไปละเมิดอย่างนี้มันก็จะมีเจตนาที่หนักหน่อยอกุศลก็แรง แต่ทีนี้บางคนก็เพีงรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นกฎกติกาของสังคมที่ตกลงวางกันไว้เป็นบัญญัติของสังคมแต่ก็มีเจตนาว่าเออนี่เราละเมิดสังคมแหละนะเจตนาตัวนี้มันมีพอเจตนาที่จะละเมิดมีเจตนาตัวนี้เป็นสภาวธรรมเป็นของมีนจริงในใจมันก็กลับมามีผลต่อชีวิตจิตใจเขาอีกแล้วก็อย่างที่ว่าก็ตัวแปรก็จะมีกปัญญาอีก เพราะคนมีปัญญาจะมองเห็นว่า้กฎกติกานี้มันไม่เหมาะสมกับเวลาแล้วมันไม่มีผลดีต่อสังคมแท้จริงมันควรจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงแต่เขาอาจจะไม่ได้ดำเนินวิธีการได้ถูกต้องอากุศลตัวอื่นก็อาจจะแทรกเข้ามาเชื่ออาจจะมีความคิดรุนแรงไอ้นี่มันเอาไว้ไม่ได้จะต้องแก้นะเลยมันก็กลายไปว่าอากุศลอื่นมันก็อาจจะเกิดมาพร้อมกับการที่มีกุศลก็อาจจะมีปนกันไปว่า มีปัญญารู้อันนี้มันไม่เหมาะไม่ เ, เกือ้อคูลกับสังคมแท้จริงคูจะแก้ไขประกอบนี้ถ้าจิตมันอยู่ดีมันมีภาวะของตัวเองมันไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่บีกขั้นมันจะคิดโดยปลอดโปร่งว่าเออเราจะต้องอันนี้มันก็วางกันขึ้นมาโดยที่หมู่มนุษย์เขาร่วมกัรพิจารณาแล้วแต่ว่าคนเขาอาจจะมีปัญญาไม่พอการสมัยเปลี่ยนไปเขายังไม่ได้เข้าใจเราก็จะต้องค่อยๆให้ความรู้เขา แล้วก็มาชวนการเปลี่ยนแปลงโดวยวิธีที่ชอบอะไรงนี้อ่าอันนี้ก็คิดรอบ้อขึ้นมาอีกกุศลก็เกิดมาขึ้น <Yeah. S 1> ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็ต้องใจ <Yeah. S 1> เข้าใจความสัมพันธ์2ระดับเนี่ยระดับธรรมะระดับดีไหนนี yeah. <Yeah. S 1> อันนี้ก็เลยเราก็มาแยกอย่างที่ว่าว่าถ้าเราจะใช้สมนวนไทยว่าความดีความชั่วมีจริงไหมเนี yeah. ถ้าเราสามารถโยงไปหาศัพท์ที่เป็นสภาวะคือกุศลแกุศลเราก็บอกว่ามันมีจริง มันอยู่ในชีวิตจิตใจของคนเลยแล้วมาเกิดขึ้นมามันก็มีผลจริงๆอย่างนั้นสองก็ตอนที่มันออกมาสู่สังคมมันก็จะมีว่ามันเชื่อมโยงกันมาที่ว่ามนุษย์จะพยายามที่จะทําสังคมของตัวเองให้ดีแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความต้องการของมนุษย์อะไรแค่ไหนแล้วก็วางบทบัญญัติไปแค่นั้นถ้าเขาเข้าใจลึกซึ้งว่าชีวิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไรมีความต้องการอย่างไรความจเจริญดีงามประโยชน์ที่แท้คืออะไรเนี่ย เขาจะวางกติการะเบียบกฎหมายอะไรไรได้ดีมากนะมันก็จะเป็นประโยชน์พมขึ้นนั้นการบัญญัติอะไรกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะวินัยธรรมะจึงสําคัญทําไมจึงต้องการการตรวจสอบเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระสมมาสิพพุทธเจ้าได้เพราะได้ทั้งสองหนึ่งต้องรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงความจริงของชีวิตเนี่ยนะนี่ด้าน ตัดุธรรมะรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาสองแล้วก็มีปัญญาความสามารถที่จะนำเอาความรู้ในความจริงนั้นน่ะมาจัดตั้งวางระบบขึ้นมาเช่นจ้างตั้งชุมชนขึ้นวางกฎระเบียบกติกาจัดสภาพแวดลอ้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้มันเกื้อหนุนการที่มนุษย์แต่ละคนจะได้พัฒนากุศลหรือธรรมะนั้นขึ้นมาจะเลยองอกงามในทางได้ ถ้าสามารถทําได้สองขังน้นนี้ก็เป็นสัมมาสพุทธเจ้าคือหมายความว่าทั้งสามารถตัดรูุ้ได้ตนเองเป็นผู้เริ่มต้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนเริ่มต้นก็ไม่รู้จะเกิดธรรมะปรากฏขึ้นในสังคมได้อย่างไรใช่ไหมก็เป็นผู้เริ่มต้นที่รู้ก่อนก็เป็นด้านหนึ่งด้านที่สองก็สามารถที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยมาแผ่ขยายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจํานวนมาก ได้สองอันอันที่สองก็คือต้องสามารถคั้นวินัยเนี่ยได้สองอันก็เป็นสมบัสัพพุท ธ, ธะถ้าได้อันเดียวคือรู้ความจริงที่มีตามธรรมดาได้ปัญญาของตนเองโดยไม่มีคนอื่นที่มาสอนก็เป็นปัจเจกพุท ธ, ธะจรับทีนี้ถ้าหากว่าได้รู้จากท่านที่รู้มาก่อนเราสรู้ก่อนแล้วก็ตัวเองก็รู้ตามนั้นแล้วก็มาจับตั้งวางตามก็เป็นภาษาพวกเรียกว่าอนุพุทธะ อันนี้มดนะครับ อ, อย่างที่พระวินัยนะที่ท่านว่าถ้าเกิดมันไม่ถูกครัสมัยนีจริงวันสามันแก้ไขได้หรือเปล่าครับกนะ็พระพุทธเจ้าเองก็ทรงอนุญาตไปเลยนะใช่ไหมนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงมองเห็นการไกลบอกว่าวินยัยสิกขาบทเล็กๆน้อ ย, อยคือที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักการสาคัญต่อไปเมื่อสงส่เห็นชอบสงนะไม่ใช่บุคคลสงนี่หมายถึงที่ประชุมหมู่ใหญ่ทั้งหมดร่วมกันน่ะ ก็คือคําว่าสังคมนั่นเองแต่ว่าสังคมของผู้ที่ได้เจริญใจศิขานะฮะถ้าสง์เห็นชอบก็ให้ถอนได้ ก, ก็พระองค์การวุญาตไว้อย่างนี้ทีนี้พอมาพระเถระผู้ทำสังเีนาท่านก็มองไปย่างบอกการที่พระเจ้าเจ้าให้โอกาสไว้นั้นก็เป็นพระมหา ก, กรุณาขับพระองค์ก็เป็นการชอบธรรมอย่างยิ่งแล้วแต่ว่าเพื่อประโยชน์อีกบางแง่สง์ก็เลยตกลงมีมติร่วมกันว่า เรายอมลำบากเพื่อประโยชน์ปิดกั้นในข้อเสียหายโทษวางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้จักสิ้นสุดเราก็พร้อมใจกันว่าเราตกลงว่าเราไม่ถอนนก็เป็นมติทรงขึ้นมาอเองเรียก <c oughs> ว่าก็อันสองอันนี้ก็ไม่ขัดกันหมายความพระพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้ก็เป็นจะเรียวกว่าเป็นสติปัญญาหรือความรู้เข้าใจของพระองค์ก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา นะว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ขึ้นต่อการและสมัยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ฝ่ายผู้ที่มาปฏิบัติตามแล้วก็รวมกันเป็นสงเนี่ยก็พิจารณาเหตุผลในแง่ต่างๆว่าถ้าไปถอนแล้วมันไม่รู้จักจบมันก็กลายไปว่าก็เลยแยกเป็นสองสายสายที่ตกลงตามนี้ว่าเอาละเรายอมลำบากมียังไงก็ปฏิบัติไปตามนั้นให้ครบ แล้วก็ไปตามสภาพแวดล้อมถิ่นฐานกาลสมัยอื่นเราก็ไปวางกฎระเบียบที่อนุโลมหรือคล้อยตามพระบัญญัตินี้เพิ่มขบขีการเสริมวินัยขบขีแทนที่จะลดกับเพิ่มเสริมก็ไปนะเพื่อความดีงามที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแห่งกาลสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นสายที่เล็กกว่าเถรว่าทีนี้ฝ่ายมหายานท่านถือว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็เลย จัดการแก้ไขถอนนะทีนี้พอถอนแล้วเราก็เห็นเลยว่าสายเถรวาณเนี่ยจะคุมอยู่เป็นอย่างเดียวไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนแต่ว่าสายมหายานนี่ไม่รู้กี่นิกายนิกายที่ดับหายไปแล้วก็เยอะแยะนิกายที่เกิดมาอย่างญี่ปุ่นนี่ได้ทราบนิกายเกิดใหม่แทบทุกปีขณะนี้มีประมาณ200นิกายประเทศญี่ปุ่น น, นิกายใหญ่5้าก็มีนิกายหลาย นิกายโจโดชินนิกายชินนิกายเซนนิกายนิจิเรนนิกายชินวันนี่นิกายใหญ่ห้าหลักแล้วแต่ก่อนเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่นิกายชินนิกายชินนี่เขาถือว่าไม่มีพระไม่มีค้าเรือ่องเขามีไอ้คำพูดเป็นวาทะของหัวหน้าหรือผู้ตั้งจะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ว่าอย่างนั้นนะไม่มีพระไม่มีข้าเรือ่องแทนเขาก็ไม่มี ผู้ที่มาแต่งกายมีลักษณะที่ว่ามีเครื่องนุ่งห่มแปลกไปอย่างนี้กายชินเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นกระหักสวมชุดสากลมีผมไรตะไลแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอุตสาหการรมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่มาธุรกิจจากญี่ปุ่นในเมืองไทยในยบางคนอาจจะเป็นพระนีกายนี้นะไม่รู้หรอกทีนี้จะรู้ยังไงเวลาเข้าวิธี เวลาเข้าพิธีพระนิกายชินเนี่ยแกก็จะมีเสื้อคลุมสีดําเสื้อคลุมสีดําก็เป็นคล้ายๆเป็นตางหางแบบมุ้งอ่ะนะก็สวมทับเข้าแล้วก็มีผ้าห้อยคอเป็นสีเหลืองคล้ายๆเป็นแผ่นๆคล้ายๆแผ่นประคตอ่ะนะมาพาดคอเนี่ยแล้วก็เข้าทำพิธีนี่ก็คือนักบวชหรือพระของนิกายชินพอออกจากพิธีแล้วก็ไปตามเรื่องอ่ะ จะไปไหนก็นไปก็เป็นเจ้าของธุรกิจนี่แล้วก็มีพัญญามีอะไรตาร่างนะตอนเขาไปเยี่ยมญี่ปุ่นนานและเราก็ไปเยี่ยมกันวัดต่างๆอะไปถึงวัดหนึ่งก็ไปเยี่ยมสังฆราชนิกายหนึ่งนี่กายย่อยของนิกายชินิพขาเขามีนิกายย่อยอีกเยอะแยะเหลือเกินนี่ยท่านสังฆราชนี่ก็มีผู้หญิงออกมาเรียกว่าเสร์จน้ำชาใช่ไหมมาต้อนรับแล้วท่านก็นแนะนําว่านี่ลูกสาวท่าน สั ก, ลกุลอาตมีลูกสาวเนี่ยท่านจะถามอะไรฮะ อ, อคืออย่างทราบว่าความสัมพันธ์เราอย่างนีกายอยแบบนี้ครั บ, รบเราสามารถไหว้เขาได้ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ว่ามันทําให้อดัดใจเมื่อไหร่ผมว่าเรื่องอย่างงี้ก็ให้เป็นมติสง่งแล้ดีคือมันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัอย่างพระมหายานเดี๋ยอนนี้นอกเรื่องนิดหน่อยนะพระมหายานเนี่ยเขารับไหว้คารืหัสหรือแม้แต่ไหว้คารืหัดแต่เขาไม่ถือว่าไหว้เขาถือว่าให้พอ เลี่ยงไปเหมือนกับเขาฉันเย็นใช่ไหมแล้วก็ฉันเจฉันเย็นเนี่ยเคยถามแล้วเขาบอกว่าฉันเพศสัตว์เข้าใจไหมฮะ <laughs> ฉันเพศสัตว์อ่า <laughs> เขาก็ฉันได้สิฉันเพศสัตว <laughs> ์นิกายของญี่ปุ่นเนี่ยนิกายใหญ่ห้านิกายก็เดิม ก, ก็มีนิกายชินเนี่ยที่ไม่ถือเรื่องมีครอบครัวแล้วก็นิกายอื่นก็ยังไม่มีครอบครัวอะไรเนี่ยต่อมาเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายเลย เดี๋ยวนี้พระญี่ปุ่นแม้แต่นี้กายเซนยังมีพัญญาเลยนะมีกายเซนที่เคร่งที่สุดเดี๋ยวนี้ก็มีพัญญาหมดเลยนี่แหละก็คือเมื่อมีการตกลงว่าถอนได้ใช่ไหมมันก็ไปเลยไม่รู้จบมาสมัยนี้ก็ถอนแค่นี้ต่อมาอีกสมัยหนึ่งก็เอ๊ะมันน่าจะถอนอีกนะข้วนี้มันไม่เหมาะสมการลสมัยหรือในยุคเดียวกันนั่นแหละ พ่หนึ่งว่ายังให้คุณถอนอีกพ่อหนึ่งบอกว่าคุณถอนแล้วอาก็แตกไปอีกนิกายหนึ่งก็เลยแตกกันใหญ่มาหายยานก็แตกเพราะเรื่องความเห็นไม่เหมือนกันนะี่แหละนในเรื่องตีความเรื่องตีกย่อยอะไรอะไรก็เลยไปกันใหญ่เนี่ยที่ว่าก็เอาและญี่ปุ่นนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแต่ว่ารื่อนี้ก็มีครอบครัวทุกนิกายแล้วก็มีนิกายย่อยเกิดเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นประมาณสองร้อยนิกายท่านยังสงสัยอะไรเลย น ม, ม่มีอะไรไหมครับท่านอะไรท่านสงสัยอะไรเออเราจะทําให้สังคมที่เรารู้จักที่สุดคือครอบครัวเนี่ยเขาให้เกิดกุศลได้ยังไงครับให้สร้างเพิ่มต่อคนที่เป็นเออญาติพี่น้องพ่อแม่หรือออพี่น้องเราเอ่ามันก็โดยหลักการทั่วไปก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วจัดให้ระบบความเป็นอยู่เนี่ยให้ดีสภาพเวดลอมให้เกิดหนุนอย่างที่ว่ามีส ป, ปายะดเจ็ดประการเป็นต้นถูกไหะ มันก็สภาพไปรอมันก็เอือดแหละและเสร็จแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ดีในระหว่างมนุษย์อีกมีเมตตาต่อกันแล้วก็จัดวางระเบียบระบบเช่นในการเป็นอยู่กติกาในการเป็นอยู่อย่างว่าชีวิตในยุคสมัยนี้นะมันยุ่งเหลือเกินพ่อแม่ลูกบาทีถ้าไม่มีเวลาพบกันน่ยเดี๋ยวนี้นะได้ฟังญาติโยมแล้วอครูบอกว่าบางครอบครัวนี้หนักมากพ่อแม่กับลูกไม่ได้พบกัน บอกว่าพ่อก็มีเวลาทํางานต้องรีบไปตอนหนึ่งอา้าวก็ตื่นไม่พร้อมกันลูกพ่อไปลูกยังไม่ตื่นแล้วก็อา้าวเวลากลับมาก็ไม่พร้อมกันพรายหนึ่งมาอีกฝ่ายหนึงหลับแล้วบางทีอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เจอกันเลยนี่ต่อมาก็วางกติกาแต่กติกาอย่างนี้มันก็เป็นเพียงเครื่องพ่นเบาให้มันลดไอ้ความแย่ลงไปนะเใช่ว่า ก็เลยตกลงกันว่าทำไงจะสื่อสารกันได้ก็มีโต๊ะวางไว้หน้าห้องกลางว่าลูกมีความต้องการอะไรจะบอกพ่อเช่นว่าต้องการเงินเท่าไรจะอะไรก็ให้เขียนวางไว้บนโต๊ะนี้แล้วก็พ่อก็มาแล้วก็เห็นก็เอาเงินวางไว้ให้ให้พ่อพูกก็เข้านอนช่วยก็ออกไปนะฮะก็สื่อสารกันอย่างนี้นี่อาจารย์ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง แล้วครอบครัวของท่านเพราะเห็นสภาพชีวิตอย่างนี้ท่านก็เลยมาวางกติกากันบอกว่าเออครอบครัวของเราอย่านี้ไม่ไหวก็ดีสังครอบครัวนี้ท่านก็ดีท่านกบอกว่าตกลงกันเลยว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเรามาตกลงกันว่าครอบครัวของเราเนี่ยควรจะมีเวลาที่ได้พบกันแน่นอนวันละครั้งแล้วก็มาดูกันมาจัดกันให้ลงตัวว่าเวลาไหนจะสะดวกและได้อย่างน้อยว่าสามารถจะมาได้ทุกคน แล้วก็ได้เวลาหนึ่งในเวลาอาหารเย็นหรืออะไรเนี่ยนะว่าอย่างน้อยเวลาอาหารเย็นมันยืดหยุ่นได้ใช่ไหมก็ปรับแล้วตกลงว่าเวลาอาหารเย็นเนี่ยเวลาที่ลงตัวว่าทุกคนมาได้อยู่ได้นะเวลาเท่านี้แล้วก็พบกันก็มีเวลาพบกันทุกวันทุกคำ่ำก็ยังเรียกว่ายังดีมีโอกาสที่สัมผั์กันในเขา้าครับ้าง อันนี้เป็นปัญหานายุคปัจจุบันนะ น, นี่ก็คือเนี่ยเคือวางกติกา ร, ระบบการจัดตั้งหรือวินัยนั่นเองในการเป็นอยู่เพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปนด้ดีนี่ในครอบครัวชั้นใดสังคมก็ฉะนั้นยิ่งครอบครัวนี้สําคัญที่สุดเพราะเป็นฐานของสังคมใช่ไหมถ้าเราจัดครอบครัวได้ดีมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขแล้วสังคมนี่มั่นใจเลยเพราะถ้าครอบครัวดีแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขในครอบครัวอยู่แล้ว เด็กเป็นคนดีตั้งแต่ในครอบครัวแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ไว้ใจได้ลูกก็เชื่อฟังมีความรักต่อการอบ่นมันก็ออกไปเป็นคนดีในสังคมแหละแม้แต่ง่ายๆอย่างว่าจะไปทําอะไรก็ห่วงพ่อแม่แล้วลูกจะไปประพฤติอะไรเสียหายเอยนี่ถ้าหาว่าพ่อรู้หรือแม่รู้รรรนี่ท่านจะใจเสียนะก็ไม่กลาา้าทําชุกน ะ, อ, ะอย่างน้อยความ ยืดใหญ่เนี่ยความรักกันในครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ในสังคมของเราสมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยที่เคยย้ำบ่อยๆว่าพรกคุณแม่ในสําคัญอย่างยิ่งพรกคุณแม่เนี่ ย, ย, รยทราบซึ้งมากคนสมัยโบราณนี่เป็นอย่างนั้นนั้นเวลาไปไหนไปไหนเนี่ยเมืองก็คิดถึงแม่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าทําอะไรไปก็นึกถึงกลัวว่าแม่จะเสียใจหรืจะกลัวพ่อเสียใจก็แล้วแต่นะแต่แม่เนี่ยจะใกล้ชิดที่สุด แล้วเวลาจะทำอะไรไม่ถูกเกิดมีคนเ้าอ้างอิงแม่คือมาทียั้งได้เลยสำคัญนะมันมีหลักอะไรอยู่บ้างที่มันยุดเหนี่ยวทีนี้คนสมัยนี้มันลอยเพ่งคว้างมันเอาแต่ตัวก็แย่สังคมก็ไปหมดเลยนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการจัดตั้งวางระบบมันจะออกมาในรูปวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็คือมันก็เป็นการจัดระเบียบสังคมนี่โดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง แล้วก็คือว่าถ้าเรามีความสามารถเราก็โยกไปหากุศลที่เป็นธรรมะในชีวิตนี้ให้ได้ครับถ้ า, าฟังแบบนี้เนี่ยสำหรับชีวิตที่สังคมที่เป็นเกษต ร, รกรรมอย่างสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเหมาะกับการทาเพื่อให้เกิดธรรมะมากกว่าสังคมอุตสาหกรรมที่แต่ละคนจะต้องแบบใช้ชีวิตเพื่อที่จะหาแล้วก็เร่งแล้วก็ไม่ได้เจอการมากกว่านครับแล้ ว, วแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยมันเริ่มออกไปทางอุตสาหกรรมมากเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่ระหว่างพอดีพอดีอะไเนี่ยครับคือเหมือนกับว่าไม่วิ่งตามกับทางนี้มากไปให้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครั บ, รบก็นี่แหละเราอาจจะไม่บอกว่ายังไงลงไปจะเราจุดหมายตั้งคือเป้าหมายว่ามันควรจะเป็นอย่างเงี้ย มนุกโคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัวคุณมีความอบอุ่นใช่ไหมมีความรักกันอย่างเงี้ยแล้วก็วางไอ้หลักการอันนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่าระบบสังคมกเกษตรแบบเก่าเนี่ยมันออกจะค่อนข้างเกื้อกูลเนะีเข้ากันได้กับระบบชีวิตแบบแต่เราเลือกไม่ได้บางทีใช่ไหมมันก็เป็นความจําเป็นของยุคสมัยเหตุปจัจจัยต่างๆนี่ว่าเราจะทํายังไงในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย จะจัดให้มันดีที่สุด เ, เมื่อเรามีเป้าหมายมีหลักการอยู่แล้วเราก็พยายามจัดให้มันเข้าให้ได้ผลตามใช่นก็เราจะไปทิ้งสิทีนี้เราไปทิ้งนี่บางทีเราก็ไปคำนึงแต่ไอ้เช่นะอุตสาหกรรมเราก็ไม่มาคำนึงถึงว่าจุดหมายของชีวิตนั้นมันคืออะไรจุดหมายของมนุษย์ความเป็นอยู่ที่มันมีประโยชน์สุขที่แท้จริงคือยังไง แต่เราไปมองขึ้นว่าอุตสาหกรรมจะช่วยนําอะไรให้เราแล้วเราก็มองไปที่เป้าหมายนั่นสิแทนที่จะมีเป้าหมายประโยชน์สุขที่แท้งชีวิตแล้วทายังไงจะให้อุตสาหกรรมมาสนองจุดหมายนี้ใช่ไหมมันไม่คิดนี่มันไปมองแต่ออุตสาหกรรมนั้นจะนําอะไรมาให้แล้วก็เป็นหลงเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นอันนี้ก็คือความผิดพลาดเวลานี้คนก็ไปหลงกับไอ้อุตสาหกรรมที่ว่าผลที่ต้องการคือความมาาั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่จะมาปลนเปลอยบำรุงบเรุงทาให้เกิดความสะดวกสบายความมั่งคั่งมั่งพร้อมไอ้นี้มันกลายเป็นว่าไอ้ความมั่งคั่งมั่งพร้อมนี่มันไม่มีตัวบอกขอบเขตว่าแค่ไหนมันก็กลายเป็นความบำรุงบำรุงปลนเปลือยและการที่ว่าแสวงหากันไปแล้วก็เลยกลายเป็นแย่งชิงกันแล้วก็มีการที่มา หลอกล่อซึ่งกันและการเอากันเป็นเดือเป็นเครื่องมือใช่มมนุษย์เดี๋ยวนี้บางทีก็ต้องคิดอย่างนั้นนะอย่างเรามีธุรกิจเราก็ทำไงจะลวงกระเป๋าคนพวกนี้ได้ให้มากที่สุดใช่เราก็ต้องหาทางการโฆษณาก็ไม่เป็นความจริงใช่ก็ทำยังไงจะบอกว่าไอขอสินค้าตัวนี้ดีที่สุดทั้งที่มันไม่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเชื่อแล้วก็ให้เขาเอาเงินมาซื้อเรา มันก็เลยกลายเป็นระบบจำยอมคนที่เข้าสู่ระบบนี้ก็ต้องทำไปนี่ว่าทำยังไงเราจะให้มีการศึกษาเป็นต้นที่จะมาช่วยให้คนเนี่ยอย่างน้อยก็มีจิตสำนึกในเรื่องนี้อยู่ให้ตรึงไว้บ้างเป็นเครื่องที่จะรั้งสติพอมันมีจุดที่จะให้สติจับสติมันมีที่จับมันก็จะได้มา ล, ลึกถึงแล้วก็จะได้คอยดึงไว้ใช่ไสติมันมีหน้าที่ดึงหรือตรึงไว้ มันก็ดึงเข้ามาสู่ไอ้ตัวจุดหมายหรือตัวที่โยงไปสู่หลักการอันเนี้ยนะไม่ให้เขยไปกลไม่ให้ตะลอดเปิดเผยอย่ล่นี้ตะลิดเปิดเผยจนไม่รู้จุดหมายไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเพื่ออะไรสุขอยู่ที่ไหนอะไรใช่ไหมบางทีการหาสู่ก็คนสมัยนี้ที่ว่าต้องการการเสพบำรุงําเรอมากเนี่ยความจริงบางทีไม่ใช่ว่าเขาได้หาความสุขมีความสุข เขาหาสุขเสพเหล่านั้นเพื่อกรบทุกของเขาก็มีนะบางทีเขาทุกมากแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเพีเพื่อกรบทุกเท่านั้นจริงไม่จริงอย่างเวลาเนี้มีปัญหาเรื่องความอ้วน <c oughs> ในประเทศอเมริกาแล้วกําลังระบาดเข้ามาเมืองไทยตอนผมไปผ่าตัดพอดีคือคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยก็เพิ่งกลับจากอเมริกาไปดูงานเรื่องแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วน เพราะว่าอารยธรรมอเมริกันปัจจุบันมาถึงจุดที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนแหล ะ, ะมั่งคั่งพลังรลอมแต่ว่าไอ้ความมั่งคั่งพลังร้อมนีกลับเป็นโทษนี่เขาก็แก้ปัญหาวิธีของอเมริกันก็คือแก้ปัญหาทางวัตถุทางระบบทางเทคโนโลยีนี่คุณหมอก็ไปศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนก็ทำไงก็คือเขาผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลง คือเรมีชีการแก้ปัญหา็ไม่รู้แหละก็เป็นวิธีแก้ระดับหนึ่งถ้าถ้าเราพูดในสํานวลปัจจุบันเราก็บอกแก้ที่ปลายเหตุแต่เราอย่าไปตัดทิ้งนะการแก้ที่ปลายเหตุก็จําเป็นแต่ว่าแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวไม่พอต้องพูดอย่างนั้นต้องแก้ไปให้ถึงต้นเหตุไม่ใช่ว่าจะเอาสุดโตไม่ว่าจะแก้แต่ต้นเหตุปลายเหตุไม่เอาก็ไม่ถูกเนียมันก็ต้องเอาทั้งสองไอ้ปลายเหตุเนี่ยมันตัดไปก่อนเฉพาะนะแล้วก็ สืบค้นลงไปให้มันถึงต้นเหตุได้ได้ทีนี้ว่าสังคมเมริการ น, นี่แกอาจจะจับต้นเหตุไปได้ก็ได้นะแกก็มาแก้ปัญหาได้วยทีเนี้ยคุณหมอแกก็ไปดูบอกว่าเขาก็กําลังใช้วิธีการเนี้ยก็คือว่าคนที่เป็นโรคอวนก็ต้องผ่าตัดกระเพาะทั้งๆ ท, ที่ตามปกติคนจะผ่าตัดนี่มันต้องมีโรคใช่ไหมไอ้นี่กระเพาะมันก็ไม่ได้เป็นโรคแต่ก็ต้องผ่าตัดเพื่อจะให้เขากินน้อยลง ผ่าตัดเหลือให้กินได้กี่ซีซีไม่ทราบผมจําไม่ได้รีวิวแล้วะต่จดไว้นกินได้ตอนเนี้ยกินอาหารเหลือไม่กี่ซีซีล้วฮะแล้วทีนี้ต่อไปกระเพาะมันก็จะยืดอีกแล้วก็ต้องแก้กันใหม่อีกเอแก้วิธีนี้มันก็ยุ่งกันนะะคุณหมอก็ต้องเตรียมมาไว้เพราะต่อไปต้องผ่าตัดคนไทยนะคนไทยก็จะต้องเป็นโรคอ้วนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าวิธีของอารยธรรมนี่มันเดินไม่ถูก อีนี้การกินที่มันไม่รู้จักประมาณมันก็มาจากเหตุคุณหมอเองก็เล่าบอกว่ า, วามันก็มาจากทุกข์อีกแหละคือคนพวกเนี้เช่นทํางานอยู่จิตใจเขาก็ไม่สบายแต่ว่าให้การบริโภคมันสะดวกมันอยู่ใกล้มือมันไม่สบายใจจิตใจมันว้าวุ่นง่ายๆก็หยิบมากินใส่ปากก่อนเคียเค้ยวๆมันก็เป็นการกลบทุกข์นี่นี่คือการเสพสุขเพื่อกลบทุกข์เท่านั้นถูกไหม มันไม่ใช่ความสุขจริงนะเพราะฉะนั้นการหาความสุ ข, ขคนสมัยเนี้ยจํานวนมากเป็นเพียงการกลบทุกข์เท่านั้นออมันก็แล้วก็มันไม่ได้ทําให้แก้ปัญหาทุกข์กลบทุกทุกข์มันก็เป็นเพียงว่าถูกบังไว้ชั่วคราวแล้วมันก็ฟืน้นขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะหนักขึ้นไปอีกนันก็เป็นวงจรร้ายที่มันไม่รจะจบสิน้นแล้วจะทําไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอารยธรรมมาเดินผิดมาทั้งกระโจนเลยนะทว่าไปแล้วเนี่ย เขาจะต้องมาทบทวนกันว่าอะไร เ, เป็นที่แท้เพราะนั้นถาพุทธศาสนาบอกต้องถึงธรรมะถ้าไม่ถึงธรรมะแล้วระบบสังคมเนี่ยมันจะไปไม่รอดเพราะมันจับจุดไม่ถูกระบบสังคมทั้งหมดก็คืออยู่ในคำว่าวินัยการจัดตั้งวางระบบระเบียบกติกาในแต่ะอะทางสังคมอะไรครับเรียนท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับคือมองว่าสังคมปัจจุบันเราเนี่ยเราเองก็มีกฎหมายซึ่ง เดิมทีเนี่ยผู้ที่บัญยายนกฎหมายนี้ออกมาก็คงมีเจตนาที่ต้องการให้สังคมอยู่สงบสุขไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านต่างๆแต่ว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกสื่อชักนำเข้าไปสู่ทางที่เสื่อมลงอย่างนี้เนี่ยเรื่องการยาณมิตรเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนเกี่ยวข้องกับ เ, เรื่องวินัยบ้างหรือไม่แล้วก็ จะทําอย่างไรให้สื่อสมัยนี้เนี่ยช่วยสนับสนุ น, นสังคมวันนี้ทำให้ดีขึ้นครับก็นี่แหละคำถามอาจแร่นี้นะก็การมีกัรยานามิทหรือระบบกา ร, รยานามิตนี่เป็นสาระสําคัญของวินัยเลยนะก็คือเราจัดตั้งวางระบบสังคมอะไรก็เพื่อให้มีให้มนุษย์เนี่ยเกื้อคูลกันเกื้อหนุนกันใช่ไหมแล้วเราก็ให้มีมนุษย์ที่ได้มีการพัฒนามากกว่าเนี่มาเกื้อหนุนคนที่ยังพัฒนาน้อยกว่า นี้เราจะทําไงให้คนที่ได้พัฒนาดีกว่าเนี่ยมาเกื้อหนได้ให้มาเป็นกนัญญาณธรรเวลานี้สังคมมันมีความซับซ้อนมากเช่นระบบธุรกิจที่มีผลประโยชน์เป็นจุดหมายใหญ่มันก็จะเป็นตัวบังหมดเพราะว่ากิจการต่างๆก็มุ่งเพื่อผลประโยชน์เอาอย่างง่ายๆสื่อเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยแกก็รู้ว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยภาพอย่างางี้ไม่ดีเป็นภัยต่อยาวนชนเป็นต้น แต่ว่าถ้าไม่ลงมันก็เสียผลประโยชน์ตกลงลงหรือไม่ลงลงอันไหนชนะก็ะนี่ก็ง่ายๆใช่ไหมระบบสังคมที่ซับซ้อนกลายไปว่ามนุษย์ท้ง ท, ง, ทงที่รู้ก็แก้ปัญหาไม่ได้หรือปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยอา้าวก็รู้กันอยู่อย่างพวกวิทยาศาสต ร, ร์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันไดรู้เลยว่าการบริโภคมาก ก็จะทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้ร่อยหลอแล้วก็การเสรบริโภคมากจัดการไม่ดีขยะมันมากมลภาวะสูงทั้งในการผลิตทั้งในการบริโภคทําให้เกิดมลภาวะทั้งนั้นเวลาผลิตอุตสาหกรรมก็มลภาวะเวลาบริโภคเสร็จใช่ไหมมลภาวะทิ้งขยะอะไรต์อะไรมันจะท่วมโลกก็รู้อยู่ก็บอกว่าคนจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจตน ในการที่จะเสพบริโภคเอาตามใจตัวเองไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ไอแนวคิดปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะกระแสหลักก็คือถือว่าความสุขอยู่ที่การเสพบริโภคให้ได้มากที่สุดปลนเปลือกที น, นี้ความสุขของเขาก็อยู่ที่การได้ปลนเปลือตัวเองด้สิ่งเสพบริโภคแล้วมาสอนว่าคุณจะต้องยับยัง้งมันก็คือการที่ขัดขวางเขาไม่ให้มีความสุขเต็มที่ก็จึงต้องมี restraint ไง r e s t r a i n ก็คือการควบคุมบังคับตัวเองยับยัง้งชั่งใจ แต่มันก็คือการที่ตัวเองจะต้องลดละความสุขมันก็ฝืนใจการฝืนใจนี่มันไม่ใช่จริยธรรมที่ดีไม่ใช่จริยธรรมของการพัฒนามนุษย์ก็คือแสดงว่ามนุษย์มันไม่ไปไหนมันก็มีไอ้ความโลภความต้องการมีระดับการพัฒนาอยู่แค่นั้นแหะมันก็ต้องฝืนใจทีนี้มาฝืนใจการที่เขาจะรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือความทุกข์ถูกไหมฮะการที่จะเขาจะมีความสุขก็คือการที่สิ่งแวดล้อมจะต้องพินาศน การที่เขาจะให้ธรรมชาติไปล้อมอยู่ดีก็คือเขาจะต้องมีทุกเออจะเลือกเอาไหนอะอ่ามันก็ต้องกลายเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกมันเสียทั้งสองทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสําเร็จคนแต่ละคนมันก็ฝืนใจจํานวนมากและยิ่งคนที่ไม่ได้เห็นภัยชัดเจนบางประเทศก็ไม่ค่อยมากระตุ้นการให้รู้ตระหนัดภยัยก็ยิ่งไม่เอาใจใส่และยิ่งมีไอ้เรื่องของความซับซ้อนในเรื่องระบบผลประโยชน์อีก อย่างประเทศใหญ่แกก็อาจจะแกรู้อยู่ว่าถ้าแกทำให้คนบริโภคมากก็จะเกิดมลภาวะมีขยะมีอะไ ร, ะะไรต่างๆกทรัพยากรธรรมชาติไรหลอแต่ถ้าแกไม่หัดสวองหาผลประโยชน์ธุรกิจมากแกก็ดำลงรักษาอำนาจไมปไ่ปได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้อำนาจมาอยู่ได้ผลประโยชน์ใช่เสร็จแล้วทำไงเลือกอันไหนไหนะ ปัจจุบันอยประเทศไทยเรานี่ครับ<ม>เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ม, มันมากมายแล้วเราควรจะวางตัวการแก้ไขแนวทางการแก้ไขควรเ ป, ไ ป, ไปร็นไปในทางใดในเรื่องใช้ยัดทำมันถูกผลประโยชน์เนี่ยมันบทบังกันอย่างนี้นะครับเราควรจะมีแนวานาานทางวางแนวทางใทฐานะประชาชน<ข>ที่ไม่ใช่ผู้แบบเราไม่ใช่พูดจัดระเบียบสังคมครับแ ต, <ม>แต่เราเป็นเพยียงประชาชนเราจะมีแนวทางอย่างนี้ก็นี่แหละ พื้นฐานก็คือการศึกษาการศึกษานะี่ยไม่จําเป็นไม่จะต้องเป็นการศึกษาในระบบใช่มเราไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนการศึกษาในครอบครัวการศึกษาในชีวิตประจำวันในหมู่ผู้ที่เป็นกาลยานมิตรต่อกันและวก็พระสงฆ์ในครอบครัวนี่สําคัญมากเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นนะเรื่องครอบครัวทําไงจะให้พ่อแม่เนะี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีปัญญาแล้วรู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันชีวิต แล้วก็เนี่ยมาปฏิบัติเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วก็จะดีขึ้นมาจากพื้นฐานและพระสงฆ์เองก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนี่พระสงฆ์ตอนนี้ก็ไม่รู้หนาทีของตัวเองกันนะก็ต้องยอมรับเวลานี้เราจึงมีปัญหามากฝ่ายปัญหานี่มันพนดินเหลือเกินนะกองพนเดินเลยคือปัญหาไอ้ฝ่ายที่กำลังสร้างใหม่ของยุคสมัยที่มันเป็นตัวปัญหาโดยตรง การปัญหาของฝ่ายผู้ที่ควรจะเป็นผู้แก้ปัญหาตัวผู้ที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นตัวปัญหาไปเองด้วยเนีเวลานี้มันก็เลยซ้ําเติมซึ่งกันและกันเวลานี้พระถ้าทําไม่ดีพระก็กลายเป็นผู้ที่ไปซ้ําเติมสังคมเหมือนกันก็กลายเป็นเข้าสู่ระบบผลประโยชน์ธุรกิจเลยไปก็ไปสนองหรือไปหนุนระบบการหาผลประโยชน์ แล้วก็เวลานี้มันก็เป็นอย่างงั้นเพราะว่าพราะนี่แม้แต่ความหมายของพระคืออะไรเนี่ยเราไปถามว่าพราะไม่รู้ตัวเองมีหน้าที่เลยสมัยหนึ่งพระก็นึกถึงตัวเองนั้นท่าเรียกว่าเป็นปฏิคาหกเคยได้ยินไหมครับว่าปฏิคาหปฏิค า, าหกแปลว่าผู้รับโยมก็เป็นทายกนะฮะทายกเคยได้ยินไหมทายกก็แปลผู้ให้ผู้ถวายทายกก็คู่กับปฏิคาหก ก, หก็ว่าโยมเป็นทายกพระก็เป็นปฏิคาหก พระก็เป็นผู้รับนะโยมมาถวายพระก็ปฏิการหกใช่ไหมก็รับรับแล้วก็ให้ผอก็จบนี้พระก็ไปถึงขั้นที่ว่ามองว่าตัวเองเป็นปฏิกาหกก็คือผู้รับของถวายอ่ะบทบายของพระมีเท่านี้จบก็หมดทั้งในใช่ไหมพระก็รอทีนี้ประกอบกับไอ้บทบาทในการเป็นปฏิกาหกผู้รับก็คือพิธีกรรมในการเป็นปฏิกาหกก็มีพิธีกรรมต่างๆพระก็เป็นเพียงผู้ทําหน้าที่ ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นปฏิการ ห, หน้าที่ประกอบพิธีกรรมเสร็จโยมก็ถวายอะไรมาแล้วก็เป็นปฏิการหกอนุโมทนาให้พอจบและถ้าเราถามกันปั๊บเราตอบได้มันนะ่ะหน้าที่บทบาทของพระ ท, รทีแท้คืออะไรท่านต้องคิดนะครับและจะต้องเตือนกันให้ตระหนักเลยเรื่องนี้เวลานี้ต้องรื้อฟื้นกันให้ได้ไม่ ง, งั้นตายเราขอไยใช้คำว่าตายมันจะจบนะ่ะพิ่นาฏกันในะท่านมอีอะไรครับ จรยครับมองถ้ากับมองกลับมาว่าระบบการควบคุมดูแลระบบจริยธรรมศาสนาของเราเนี่ยมันเสื่อมลงหรือไม่ครับเมื่อย้อนกลับมามองเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเมืองละระบบสังคมละวันนี้ระบบละศาสนาของเราเนี่ย<ม>ก็ยังมีภาคนั้นไม่ดี<ม>เข้ามาในศาสนามองได้ทั้งสองอย่างคือพระเนี่ยในแง่ที่เป็นบวกก็คือเป็นผู้ที่จะนําทางสังคมชี้แนะ ให้ไปสู่ทางที่ถูกต้องให้พัฒนาดีขึ้นอันนี้ในแง่หนึ่งนะเป็นผู้กระทําต่อสังคมในเชิงที่จะช่วยเกอหนุนการพัฒนาแนวทางเขาแล้วก็หน้าที่ของพระมีบทบาทอยู่แล้วหนึ่งห้ามปราบคนจากความชั่วในหน้าที่ที่หนึ่งนะสองสั่งสอนอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีนะในในหน้าที่ของพระสองแล้วนะแต่สอะไรต่อไปยังไม่ต้องพูดอ่ะก็ได้แค่สองข้อต้นนี่ก็ดีถงไปแล้ว อันนี้หน้าที่หลักถ้าทาหน้าที่นี้ก็คือบทบาทเป็นฝ่ายบวกแต่ที่นี่อีกด้านหนึ่งพระนี่ก็เป็นผลของสังคมใช่ไหมก็หมายความว่าพระสงฆ์นี่ก็เกิดจากสังคมนี่เองคนที่มาบวชที่นี่ก็มาจากสังคมเมื่อสังคมเสื่อมโทรมลงไปคนมีคุณภาพเสื่อมอะไรต่างๆคนเหล่านี้แหละก็มาบวชถูกไเพราะฉะนั้นสถาบันสงฆ์ก็ต้องรับผลจากสังคมไป นี้ถ้าหาว่าตัวเองไม่เก่งจริงไม่มีความตระหนักรู้สติไม่ทันใช่ไหมเราไม่รีบจัดการอย่างเท่าทันกับสถานการณ์มันก็รับมือไม่อยู่ตัวเองก็กลายเป็นผู้เสื่อมเมื่อเสื่อมคุณภาพลงก็ไม่สามารถทําบทบาทฝ่ายบวกที่จะไปนําทางสังคมได้ถูกไหมก็ยิ่งเสื่อมสุดและยิ่งถ้าหาว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็ตัวสําคัญก็คือไม่มีการศึกษาเมื่อไม่มีการศึกษาไม่รู้บทบาทที่แท้ทําหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็กลับไปชักจูงประชาชนในความไข้เขวเสียหายเช่นไปทําให้เขาให้หวยเขาหรือว่าแนะนําให้เขาบนบนบานสารกล่าวอะไรหนีหวังผลจากการดนบันดาลก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมมันก็ไปหนุนให้กระบวนการหรือวงจรฝ่ายร้ายไปเราก็ต้องมองทั้ง2ด้านเนี่ยอันนี้นเราก็เลยต้องมีไอ้การที่ว่าต้องมีหลักก็คือพระเนี่ยจึงมีหลักว่าต้องมีการศึกษาตลอดเวลา ทีนี้เวลานี้ก็คือการศึกษาของพระเนี่ยมันเสื่อมแทบหมดเลยอย่างพวกพว่าผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยไม่มีการศึกษาเลยไม่ได้เล่าเรียนเลยใช่ไหมมันก็หมดสิตัวไอ้การที่จะพัฒนาตัวพระเองมันไม่มีจบเลยพราะฉนนั้แสเมื่อพระไม่มีการศึกษาไม่พัฒนาตัวเองไม่มีความรู้แม้แต่ขั้นข้อมูลในเรื่องหลักพระาศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้าอย่งไรอะไร ก็หันกลับมาที่บทบาทของพระเนี่ยบทบาทของพระก็แปลว่าตอนนี้ตอนนี้พระเองก็ไม่เคยรู้ประชาชนก็ไม่เข้าใจความจริงหน้าที่ของพระต่อสังคมก็คืออะไรในพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้ า, จาตรัสไว้ก็ง่ายๆเลยนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของพระว่าไปผู้ดํารงธรรมะไว้ให้แก่สังคมเป็นเครื่องจะโลงจิตใจของสังคมไว้อะไรเนี่ยนะฮะเขาก็บํารุงถวายอาลัยปัจจัยสี่ นิพระก็มีหน้าที่ก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาให้แก่ประชาชนทีนี้บทบาทของประชาชนในการที่มาบำรุงพระเรียกว่าถวายวัตถุสิ่งของปัะจัยษสีนะ่เนี่ยสับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอามิสสถานคือถวายวัตถุนั่นเองอามิสจะแปลว่าวัตถุนี้บทบาทของพระหน้าที่ของพระก็คือธรรมทานให้ทําคู่กันมีพระสูตรหนึ่งที่ตรัสไว้ว่า ทั้งสองฝ่ายทําหน้าที่ต่อการอุปโภคอันโยนยานิสิตาทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันก็จะพากันข้ามทุกขได้ก่อนแน่แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ทําหน้าที่ต่อกันอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะข้ามทุกประเด็ไงก็แปลว่าบทบาทพื้นฐานของพระก็คือธรรมทานเป็นผู้ให้ทำก็ให้ทำก็เคยบอกไว้ว่าพระพระให้ทำโดยพูดก็โดยไม่ต้องพูด เ้าให้ทำโดยพูดก็คือว่ามาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เร้เราเรียนสดับฟังไว้ทีนี้ให้ทำโดยไม่ต้องพูดก็คือยังไงก็คือพระเนี่ยเป็นูดที่ได้ฝึกอบรมขัดเปล่าย่างดีแล้วทำไมพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ให้ยึดมันถือมันถ้าทำไมมากวดขันกันนักเรื่องวินยัยเนี่ผมผ้าก็ต้องให้เรียบร้อยสะอาดหมดจด แต่ฉันไม่ยึดมัน่นถือมันฉันจะแต่งสุกระเบกให้ก็ได้คมรุ่ยุ่งรามอย่างนี้นก็ได้ใช่ไหมบางคนก็ไป็นนึกว่าอย่างนั้นไม่ใช่มายึดมั่นก็คือตัวเองมันไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องมายึดแล้วที่ไ้นก็ไปมองว่าเออเรานี่ไม่ต้องเอาอะไรก็มองเพื่อประโยชน์สุกับประชาชนอันนี้วินัยนี้ท่านวางไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองด้วยเพื่อความดีงามของสงเพื่อความดีงามประชาชนทําไงพระจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูุกับประชาชนตั้งแต่จิตใจ พอเขาเห็นพระก็ให้ชื่นใจเริ่มตั้งแต่เห็นพระเนี่ยหนึ่งหลักการเดิมคือไม่มีแผงโบราณจะมีหลักอย่างนี้เลยนะก็แต่นี้คือหลักของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาฏิโมมังคบูชาในอิปปาพิโตปารูปคาตีสมัโนโหติปรังวิเหธยันโตผู้เบียดเวียนผู้อื่นไม่เชื่อเป็นบันปชิตทําร้ายคนอื่นไม่เป็นสมณะเนี่ยอันนี้เป็นหลักการพุทธศาสนาเพราฉะนั้นพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่ เผยแผ่ความไม่มีภัยความเป็นสันติอหิงสาดะนั้นก็เลยเป็นหลักมาแต่โบราณว่าถ้าเห็นพระปั๊บเนี่ยใจสบายเลยไม่มีภัยตรายและทีนี้ต่อไปก็จิตเขาผ่องใสคือเห็นพระแล้วเนี่ยจิตใจก็นึกถึงแต่ความดีนึกถึงวัดนึกถึงพระศาสนานึกถึงธรรมนึกถึงสิ่งที่ดีงามก็โน้มนำจิตใจไปในทางสดชื่นเบิกบาน ท่าเรียกว่าใช้ธรรมะปาสสะทะคือทํ า, า, าทให้เขามีจิตใจผ่องใสพอจิตใจผ่องใสเขาก็มีธรรมะแล้พระไม่ต้องพูดอะไรเขาก็ได้ธรรมะเลยใช่ไหมนี่ให้ธรรมะเด่นไม่ต้องพูดที่เรามีวิธีกรรมอะไรจะอะไรท่านเน้นเรื่องการเป็นระเบียบความงดงานต่างๆเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนว่าพระปรากฏกายขึ้นที่ไหนเนี่ยให้ประชาชนแช่มชื่นจิตใจมีปัสสาทะความผ่องใสมีความสุขมีปีติเอบออินใจพระเดินปิตาบาท เห็นปั๊บนิยมก็แหม้สบายใจอิ่มใจปลื่มใจต้องอย่างนั้นนะเป็นหลักมาแต่โบราณเคยพูดบ่อยๆว่าสมัยโบราณเนี่ยพอเช้าพระก็เดินเป็นแถวนะสมัยโบราณก็อย่างเราก็ยังรักษาระบบโบราณถ้าในกรุงเทพเขารักษาไม่ได้แล้วเวลาไปปินตบานก็เป็นองค์ไปอันนี้โบราณเนี่ยวัดก็อยู่ในชนบทโดยมากชุมชนก็เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็ เป็นการเกษตรพืชไร่ทำนาได้มากทำนาชาพระก็มาจากวัดก็เดินตัดท้องทุ่งมาตัดทุ่งนามาแล้วก็ฟ้าสีทองฟ้าอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆรุ่งอรุณมาใหม่ ๆ, มๆใช่ฟ้ากำลังสดใสแดดอ่อนๆนะสีฟ้าอาทิตย์แสงแดดมาจับจีวรพระอะไรต่างๆแล้วเดินเป็นแถวสงบสำรวมมาเนี่ยมันทำให้จิตใจประชาชนเนี่ยช่ำชื่นมามีความสุข เห็นแล้วก็แหมชื่นใจเรียกว่ารับวันใหม่ด้วยสิริมงคลจิตใจก็เป็นบุญเบุญส่วนเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จึงเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนม า, มานี้เวลานี้ไหลทุกอย่างมันวุ่นวายมันสับสนมันเร่งร้อนไปหมด <c oughs> ดีไปดีพระก็พลอยเร่งร้อนรับปิตาบาสไปด้วยใช่ไหมอ่าเร่งร้อนมันก็ไม่เกิดไอความประทับใจที่จิตใจจะแช่มชื่นหล อันะนั้นเรื่องวัฒนธรรมอะไรแต่ไรมันก็มาจากพื้นฐานของเรื่องเนี้นะที่ว่าทําไงจะให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์นะแล้วก็วางเป็นระเบียบโดยรู้ตัวบ้างแบบรู้ตัวบ้างนะแล้วการที่ทําให้จิตใจเบิก บ, บานโปงใสนี่พุทธศาสนาถือสําคัญว่าทําไรทําไมจึงบอกพุทธศาสนาพิศารณาให้ความสุขเพราะว่าพอเชิญปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องความสุขหมด เพราทุกนั้นเป็นเรื่องสําหรับรู้ไงบอกเลยนี่ใช่ไหมเป็นเรื่องสำหรับรู้ถ้าท่านไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วท่านแก้ปัญหาไม่ได้แต่พอปฏิบัติเช่นอย่างอ้าวปาโมชัพพุโลภิกคุทุกขัดสันตังกะลิสติภิกษผุผู้มากได้ปาโมชจะทําทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็คือจะบรรลุนิพพานฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยถ้าจิตใจมัวหมอ ง, มองหัวรู้ไม่มีทางหรอกท่านภิกษุที่จะบรรลุนิพพานเนี่ย เป็นทุกขมากเดยปราโมดปราโมดคืออะไรภาวะจิตที่ร่าเริงเบิกบานนะปราโมดสภาพจิต5้าอย่างนี้พุทธเจ้าจะเน้นแล้วก็ไว้บอกเลยปฏิบัติทำไปเนี่ยท่านจะเลยสมาธิอะไรจะเห็นเลยความก้าวหน้าจะมีห้าอย่างหนึ่งมีปราโมดความร่าเริงเบิกบานใจหรือแชมชุนใจสองปิติความปลื้มใจอิ่มใจสาปัจจิติความผ่อนคลายสงบเย็นเรียบสงบแล้วก็ สุขนะสุขก็คือความช่ำชื่นรื่นใจไม่มีอะไรบีบคั้นติดข้องแล้วก็สมาธิใจิตใจที่อยู่ตัวตั้งมั่นเข้าทีห้าอย่างนี้เป็นสภาพจิตที่แสดงถึงการที่ปฏิบัติเก้านาไม่ใช่ไปดูคนจับเจ้าหดภูกนึกว่าผู้ปฏิบัติรมต้องระวังนะคือบางทีคนปฏิบัติ ป, ปฏิบัติทำเพาเขามีปัญหา แล้วเราเขาไปเห็นเขาเขากําลังปฏิบัติเขาก็คือแก้ปัญหา<อ>แล้วก็ดีไม่ดีถ้าไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดทางเพราะฉะนั้นจิตต้องเตือนกันอยู่เสมอหลักปฏิบัติก็จําไว้เลยว่าหลักสําคัญเนี่ยห้าอย่างเนี่ยพยายามให้มีในใจนะปลาโมดปีติปัสสธิสุขสมาธิแล้วก็เอาสติมาเตือนตัวเองไว้เพราะใจเราจะหดหูจะร้อนรนโกลน ก, ว, นกวายก็ตือนไม่ได้ไม่ได้ผิดแล้วนะ เราต้องทําใจให้ดีก็ไอ้ฝ่ายนี้มันจะทําให้จิตใจเนี่ยมันพร้อมแก่การพัฒนานะสภาพจิตแบบเนี้ยมันกระปรี้กระปร่าชื่นบานมันพร้อมที่จะใช้งานทําไมท่านเรียกฝ่ายโคตภหูเสื่องซึมเหงาท้อแท้เป็นอกุศลท่านเรียกว่าเป็นกิเลสอาทาไมพวกนี้เป็นกิเลสด้วยเราได้ยินโลภโกรธหลงเป็นกิเลสใช่ไหมเราได้ยินบ่อยแต่พวกนี้เราไม่ได้ยิน ไปกิเลสถ้าใช้สนวนแล้วบอกกดทับจิตปิดบังปัญญาพ้องกันความโหดหูทอแท้กดทับจิตปิดบังปัญญาจริงไหมจริงไหมจริงใช่ไหมมันไม่เอื้อต่อการพัฒนาเพราะนั้นมันก็เป็นอกุศล น, นี่คนเราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นพัฒนาปัญญามันก็ต้องสร้างสงภาพจิตให้มันเอื้ออย่างที่ว่าจิตนี้ก็ปี้กระเปล่าจิตนี้พร้อมจิ ต, จตที่โปร่งโล่งมันก็พร้อมที่จะพัฒนาไปได้ ตรงรองรับนะวันนี้ก็คือมาโยงเรื่องภายในชีวิตจิตใจของคนกับด้านสังคมว่าทําไงมองในทางกลับกันก็คือทาไงาจะให้เราจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนได้ซึ่งอันนี้ก็คือที่จริงก็คือเป้าหมายที่แท้เลยเพราะว่าคนแต่ละคนก็ต้องมีชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาก็ตายจากสังคมนี้ไปแล้วจะจัดสังคมเป็นยังไงยังไงประโยชน์คนชีวิตเขาเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย เกิดมาแล้วก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ประสบสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐในชีวิตเลยก็หมดความหมายใช่ไหอสังคมนะยอาจจะบอกว่ามาเจริญนักหนาไปโลกประจันประเจนได้ชีวิตคนเกิดมาแล้วก็ตายไปตายไปไม่ได้เรื่องสักคนก็จวนเวลาแลยนะฮะเอาไทยอย่างนั้นก็ก็ฝากเรื่องธรรมะกับวินัยไปช่วยกันพิจารณาเพราะเป็นนะปหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาเลยนะชื่อของพุทธศาสนาเรียก สั้นที่สุดคือธรรมวินัยคําว่าพุทธศาสนาได้เป็นชื่อเรียกทีหลังนะฮะและเป็นชื่อเรียกแบบได้แง่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบก็คือธรรมวินัยพุทธศาสนาเป็นเพียงคําสอนแต่คําว่าธรรมวินัยนี่คือระบบเลยเพราะพุทธศาสนานี่เป็นระบบนี่ยก็คือความสัมพันธ์ท่านจะต้องไปเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรวินัยคืออะไรและธรรมะกับวินัยสําคัญกันอย่างไรมันเป็นระบบของพุทธศาสนาตีเรื่องนี้ให้แตก แล้วมันก็โยงมาาเรื่องของชีวิตสังคมอะไรต่างๆถ้าไม่มีก็วันนี้ก็เอาท่านี้ก่อนเดีย๋ยวค่อยนัด ก, กันใหม่